มันเป็นข้อที่สและเมื่อมีปิติเป็นข้อที่สก็จะถึงข้อที่หคือปัจสถานิสัมโพธชงหรือปัจสถานิโพธชงสำโพธชงหรือโพธชงคือปัสสถานิความสงบสงบกายสงบใจมีสุขกายใจนี้เมื่อประกอบด้วยธรรมะที่ เป็นอกุศลเป็นจิตใจที่เศร้าหมองก็เป็นจิตใจที่มีทุกข์ทุกข์ที่ละเอียดหรือทุกข์ที่ยาบแต่ว่าเมื่อเป็นจิตใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมีปีติเอิบออิ่มในธรรม ต้องการดูดดื่มธรรมะมากขึ้นก็มีความสุขกายใจที่เคยไม่สงบก็สงบสงบนี้เองเป็นตัวปัสสถิสงบกายสงบใจมีสุขก็เป็นโพชงข้อที่หก็จะถึงข้อที่หคือสมาธิ สามโพดชงหรือสมาธิโพดชงสามโพดชงหรือโพดชง์คือสมาธิคือจิตใจก็จะตั้งมั่นเป็นสมาธิตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ของสมาธิที่ตั้งปฏิบัติจะเป็นอารมณ์ของสมาธิข้อใดก็ตาม ที่ตั้งปฏิบัติมาเช่นว่าตั้งใจปฏิบัติทำอาณาปานสติมาหรือข้อใดข้ออื่นข้อหนึ่งอื่นก็ตามเมื่อมีพจนชงมาประกอบถึงขั้นนี้แล้วก็จะได้สมาธิดีขึ้นเพราะว่าอาการที่กายใจสงบ มีสุขนี้เป็นที่ตั้งของสมาธิเป็นที่ตั้งของสมาธิถ้าไม่มีสุขประกอบกับความสงบกายใจสมาธิก็ยากที่จะตั้งได้เหมือนอย่างบุคคลนั่งอยู่ในที่ร้อนก็นั่งไม่ติดจะต้องรีบลุกออกไปหรือต้องขยุก ข, ขยิกไม่ผาสุก แต่ว่านั่งอยู่ในที่สบายกายใจเองก็สบายไม่เมื่อยไม่ครบมีสุขก็นั่งอยู่ได้นานจิตก็เช่นเดียวกันเมื่อจิตมีสุขมีความสงบจิตก็ตั้งอยู่ได้ดีได้ดีในสมาธิที่ที่ตั้งปฏิบัติมาตั้งแต่ต้นจะเป็นข้อใดก็ได้ทั้งนั้น และหากว่าไม่ได้ตั้งปฏิบัติมาตั้งแต่ต้นเอาเป็นปัจจุบันธรรมโดยที่เริ่มปฏิบัติโพชงมาจากอาญตนะดังที่ได้แสดงในวันนี้ก็ยกเอาปัจจุบันธรรมคือฟังธรรมบัร ญ, ญายนี่มาเป็นเป็นเป็น เริ่มต้นก็แปลว่าไม่ได้ไปตั้งสมาธิไว้ในข้อไหนมาตั้งแต่ต้นแต่หากว่าไม่ได้ตั้งสมาธิข้อใดามาตั้งแต่ต้นดังนี้ปฏิบัติทางโพชฌงค์เร่ยมาจากปัจจุบันธรรมจริงๆดังนี้แล้วเมื่อมาถึงขั้นนี้แล้วจิตก็จะสงบอยู่ภายในไม่ฟุ้งออกไป รวมเข้ามาเองสงบอยู่ในภายในแล้วเมื่อสงบอยู่ในภายในนี่อะไรผ่านเข้ามาทางอาัจฉระก็รู้เสียงที่แสดงธรรมะนี้ก็เป็นเสียงที่ผ่านเข้ามาทางหูก็รู้รู้ทุกถ้อยคำของเสียงที่แสดง แต่ว่าจิตไม่ฟุ้งออกไปไหนไม่ฟุ้งออกไปในเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรที่กล่าวมาข้างต้นว่าเป็นมิจฉาสติสติผิดผิดที่ผิดทางดังกล่าวนั้นแต่ว่าเป็นสัมมาสติสติชอบคือว่าถูกชอบถูกที่ถูกทางสงบอยู่ในภายในรู้แต่ไม่ออกไปดังนี้แหละคือตัว สมาธิสัมโพชฌงค์สงบอยู่ภายในรู้แต่ไม่ออกอะไรเข้ามาทางหูก็รู้อะไรเข้ามาทางตาก็รู้ทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็รู้แต่จิตไม่ออกกบอยู่ในภายในและสิ่งที่เข้ามานั้นก็เหมือนอย่างว่าตกอยู่ข้างนอก ไม่เข้ามาสู่ใจเหมือนอย่างว่าฝนตกลงมาบุคคลอยู่ในบ้านที่หลังคาไม่รั่วก็รู้ว่าฝนตกมากระทบหลังคาแต่ว่าก็ไม่ตกเข้ามาเปียกบุคคลที่อยู่ในห้องในบ้านรานหลังคาไม่รั่วแต่ก็รู้ว่าฝนตก เพราะฉะนั้นสมาธิในสัมโพชฌงนี้ก็เช่นเดียวกันสงบอยู่ภายในตั้งมั่นอยู่ในภายในตาก็มองเห็นหูก็ได้ยินจมูกเล่นกายก็สับใจก็รู้แต่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ร่วเข้ามา สงบอยู่ในภายในตั้งอยู่ในภายในดังนี้ก็คือสมาธิสมโพธิชงหรือสมาธิพชทชงอันเป็นข้อที่หจึงมาถึงข้อที่เจ็อุเบขาสมโพธิชงหรืออุเบขาพชทชงสมโพธชงหรือพทชงคืออุเบขา อุเบกขาแปลว่าความเข้าไปเพ่งดูอยู่อันมีความหมายว่าจิตที่ตั้งสงบอยู่นั้นก็รู้รู้อยู่ตลอดว่าจิตตั้งอยู่สงบ เหมือนอย่างคอยดูอยู่ด้วยลูกตาซึ่งจิตนั้นเป็นความที่เข้าไปเพ่งดูมีตัวรู้ด้วยรู้จิตนั้นว่าตั้งสงบ ตัวรู้จิตนันที่ตั้งสงบนั้นเป็นตัวรู้ที่ไม่ออกไปเช่นเดียวกันและเป็นตัวรู้ที่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายเป็นตัวรู้ที่เป็นตัวรู้วางรู้แล้วก็วาง แล้วเมื่อวางได้ก็ไม่วุ่นวายความไม่วุ่นวายนี่เรียกว่าเฉยเพราะฉะนั้นจึงมีอาการที่เป็นตัวความวางคือไม่ยึดถือเป็นตัวความเฉยก็คือว่าไม่วุ่นวายไม่ดิ้นรนกวัดแหวงกระสับกระส่ายเป็นรู้ที่วางและเป็นรู้ที่ เผยคือไม่วุ่นวายไม่กระสับกระส่ายแต่ว่ารู้ทุกอย่างเหมือนอย่างในบ้านในห้องที่หลังคามงด้วยดีฝนตกลงมาก็รู้แล้วก็ฝนก็ไม่รู้ลงมารดอารมณ์ทั้งหลายที่ผ่านเข้ามา ยังจะดูอะไรจะยินได้ยินอะไรจะทราบอะไรจะคิดอะไรก็รู้แต่ว่ารู้แล้วก็วางไม่วุ่นวายไม่กระสับกระส่ายสงบดังนี้คืออุเบกขาสัมโพชงอันเป็นข้อสำคัญอันเป็นข้อที่เจ็ซึ่งจะต้องมีกํากับอยู่กับตัวสมาธิ ยังจะทำให้สมาธินี้เป็นสมาธิที่ก้าวหน้าเบื้องต้นก็เป็นอุปจาระเบื้องต้นก็เป็นเป็นบริกรรมก็เป็นอุปจารสมาธิแล้วก็เป็นอปนาสมาธิสมาธิที่แนบแน่นได้เพราะฉะนั้นสมาธิแม้ที่เป็นอปนาสมาธิสมาธินีแนบแน่นนี้ ไม่ใช่ว่าไม่รู้ไม่ใช่ว่าหลับหรือไม่ใช่ว่าดับความหลับหรือความดับคือหายตัวหายไปเฉยๆดังนี้ไม่ใช่สมาธิเป็นอาการของความหลับเป็นทีนมิทธะอย่างหนึ่ง แต่เมื่อเป็นสมาธิแล้วยิ่งละเอียดเท่าไหร่ก็จะต้องมีตัวรู้ที่ตื่นที่สว่างที่แจ่มใสเพียงนั้นแต่ว่าเป็นตัวรู้ที่เป็นเป็นตัวเบขาดังกล่าวสงบไม่วุ่นวายไม่ยึดถือแต่ว่ารู้ แล้วก็เป็นความรู้ที่รู้อยู่ในภายในไปโดยลำดับซึ่งบางคราวจะปรากฏเหมือนอย่างว่าไม่มีตัวแต่ว่ามีตัวรู้มันความปรากฏเหมือนอย่างว่ามีไม่มีตัวนี้ก็คือว่าเหมือนอย่างประสาททั้งห้าดับหรือสงบ ประสาทตาประสาทหูประสาทจมูกประสาทลิ้นประสาทกายละเอียดสงบจึงเหมือนอย่างไม่มีตาไม่มีหูไม่มีจมูกไม่มีลิ้นไม่มีกายจึงคล้ายๆรู้สึกว่าไม่มีตัวแต่ว่าอายตนาที่หคือมโนกับธรรมะคือเรื่องราวนั้นยังอยู่ใจไม่ดับ ใจสว่างใจตื่นใจพปรง่งและธรรมะที่รวมอยู่กับมโนนั่นก็คือสติสมาธิอุเบกขานี่เองเป็นตัวธรรมะที่ประกอบอยู่กับตัวมโนดังนี้แหละจึงจะเป็นตัวสมาธิและเป็นตัวอุเบกขาที่เป็นสัมโพธชงที่ ละเอียดประณีตยิ่งขึ้นต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจทงความสงบตั้งใจฟังสวดตั้งใจทงความสงบสึกต่อไปบัตรนี้แสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตนในเบื้องต้น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 ทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงโพชงหรือสัมโพชงองค์แห่งความรู้หรือองค์แห่งความรู้พร้อมอันเป็นหลักปฏิบัติ สำคัญหลักหนึ่งในพุทธศาสนาเชื่อมโยงกันอยู่กับสติปัฏฐานทั้งสี่ดังที่ได้กล่าวมาแล้วและเมื่อพิจารณาดูกระแสธรรม ที่ได้ตรัสแสดงย่อมจะจับความได้ว่าแม้จะปะสติปัฏฐานแต่ก็ต้องประกอบด้วยโพชงจึงจะทรง ไปสู่ศีลสมาธิปัญญาอันสมบูรณ์ได้และแม้กล่าวเพียงสมาธิอย่างเดียวก็ต้องประกอบด้วยโพชงจึงจะได้สมาธิ ถึงอปปนาสมาธิเพราะว่าอันอปปนาสมาธินั้นจะต้องมีองค์ประกอบคืออุเบกขาอยู่ด้วยและอุเบกขาที่ประกอบนั้น จะพึงได้ก็ต้องอาศัยโพดชงส่งขึ้นมาจนถึงอุเบกขาสัมโพดชงและหลักสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือเมื่อได้มีโพดชงประกอบอยู่ด้วยดังนี้ย่อมจะทำให้ สมาธิที่ได้เป็นสัมมาสมาธิสมาธิอันถูกต้องอันเป็นบารของปัญญาคือความรู้ในอริยสัจ ท, ทั้งสี่ที่ได้ตรัสแสดงไว้สืบต่อจากโพชฌงในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ดังจะพึงเห็นได้ว่าการปฏิบัติทางสมาธินั้นจนถึงอปปนาสมาธิจนถึงฌานรูปฌานอารูปฌานได้มีมาเก่าก่อนพุทธกาล มีท่านผู้ที่ได้ออกปฏิบัติทำสมาธิจนบรรลุถึงฌานที่ท่านแสดงว่าเป็นเหตุให้ใหไปบังเกิดในพรหมโลกก็ได้มีอยู่แล้วเมื่อพระพุทธเจ้า ยังไม่ได้ตรัสรู้นั้นโลกเทวโลกพรหมโลกก็ได้มีอยู่แล้วอย่างเต็มที่ยังขาดแต่มรรคผลนิพพานอันธรมบุคคล ให้เป็นอริยะคือตัดกิเลสได้บางส่วนจนถึงสิ้นเชิงยังไม่มีขึ้นในโลกจึงเป็นหลักที่ยืนยันว่าการปฏิบัติมาในศีลในสมาธิ ก็ได้มีมาอย่างเต็มที่แล้วแต่เมื่อยังขาดปัญญาตัดกิเลสก็ม่งความว่ายังมีกิเลสเมื่อยังมีกิเลสการบรรลุถึงศีลถึงสมาธิหรือแม้ปัญญาเองก็ยังไม่ถึงที่สุดและก็ยัง ไม่แน่นอนเสื่อมได้เพราะฉะนั้นแม้จะเกิดในพรหมโลกด้วยอำนาจของฌานที่ยังมีกิเลสก็ยังมีโอกาสที่จะต้องเคลื่อนการเรียกวัจจุติคือเคลื่อนจากภพภูมินั้น เมื่อพระพุทธเจ้าได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกก็คือได้ตรัสรู้อริยสัจ ท, ทั้งสี่ตัดกิเลสและกองทุกข์ในสิน้นเพราะฉะนั้นจึงได้มีมรรคผลนิพพานมีพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์ อย่างสมบูรณ์ทั้งนี้ก็เพราะว่าหลักของการทำสติทำสมาพุทธศาสนานั้นเป็นหลักที่จะนำไปสู่มรรคผลนิพพานได้โดยตรงคือสติก็ต้องเป็นสติปัฏฐานทั้งสี่และปัญญาที่ประกอบอยู่ ก็จะต้องเป็นโพชงเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานและโพชงนี้จึงเป็นหลักปฏิบัติที่นำไปสู่มรรคผลนิพพานโดยตรงและจะพึงเห็นได้ว่าหลักของสติปัฏฐาน ย่อมเป็นข้อปฏิบัติที่มีสตินำให้ได้สมาธิได้ปัญญาหรือได้สมถะได้วิปัสสนาโดยตรงและหลักของปัญญานั่น ก็ต้องเป็นโพดชงอันมีสตินำดังจะพึงเห็นได้ว่าในโพดชงข้อที่สองธรรมวิจยะสัมโพดชงสัมโพดชงคือการเลือกเว้นธรรมซึ่งเป็นตัวปัญญา และเป็นตัวปัญญาในปฏิบัติธรรมนั่นเองคือรู้ว่าการปฏิบัตินั้นของตนเป็นอย่างไรเป็นอกุศลมีโทษ เป็นฝ่ายดําหรือว่าเป็นกุศลไม่มีโทษเป็นฝ่ายขาวดังที่ได้กล่าวอธิบายแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อมีธรรมมวิจอยู่อย่างนี้จึงรู้การปฏิบัติของตนว่าเป็นอย่างไร จึงกล่าวได้ว่าธรรมวิจยะสัมโพธชงนั้นเป็นปัญญาในการปฏิบัติและตัววิจัยนั้นก็คือตัวโยนิโสมนัสิการนั่นเองการพิจารณาจับเหตุจับผลที่แปลว่าทำไว้ในใจโดยแยบคาย แต่ว่าโดยพยัญชนะคือถ้อยคำนั้นก็คือการทำไว้ในใจคือพิจารณาจับตัวเหตุให้ได้ก็เป็นอันว่าครอบคลุมถึงว่าจับเหตุจับผลนั่นเองในการปฏิบัติให้ถูกต้อง ว่าอะไรเป็นการปฏิบัติถูกอะไรเป็นการปฏิบัติผิดเพราะฉะนั้นจึงเป็นปัญญาในการปฏิบัติหรือจะเรียกว่าเป็นปัญญาในกรรมการงานที่กระทาทางกายทางวาจาทางใจก็ได้ปัญญาในกรรม หรือปัญญาในการปฏิบัตินี้เป็นสิ่งสำคัญถ้าหากว่ามีอยู่ก็จะทำให้ปฏิบัติศีลเป็นศีลปฏิบัติสมาธิเป็นสมาธิคือว่าเป็นสัมมาสมาธิแม้ในข้ออื่นก็เช่นเดียวกัน ป ฏ, ปฏิบัติสติเป็นสัมมาสติสติชอบดังนี้เป็นต้นเมื่อเป็นดังนี้แล้วจึงทําให้วิริยะคือความเพียรปฏิบัตินั้นถูกต้องคือวันละอกุศลที่มีโทษที่เป็นไฟดำแต่ปฏิบัติทําให้มีให้เป็นขึ้นในฝ่ายกุศล ที่ไม่มีโทษที่เป็นฝ่ายขาวดังนี้เมื่อเป็นดังนี้แล้วการปฏิบัติจึงจะเป็นศีลจึงจะเป็นสมาธิที่เป็นตัวสมาสมาธิสมาธิอันถูกต้องไปโดยลำดับจนถึงเป็นสมาธิที่ประกอบด้วยอุเบกขา เมื่อเป็นดังนี้แล้วสมาธิดังนี้จึงเป็นบาดของปัญญาที่จะเป็นปัญญาในอริยสัจต่อไปเพราะฉะนั้นปัญญาในโพชฌงนี้เป็นจึงเป็นปัญญาในการปฏิบัติเป็นปัญญาในกรรมนำให้ปฏิบัติศีลปฏิบัติสมาธิและอบรมปัญญาด้วยเองนั้นให้ถูกต้อง ในขั้นปฏิบัติในขั้นที่เป็นกรรมเป็นการกระทําจนถึงได้สมาธิประกอบด้วยอุเบกขาเป็นความสงบที่ตั้งอยู่ในภายในและเป็นความสงบที่ประกอบด้วยความรู้มีความรู้ที่ไม่ยึดและมีความรู้ที่ปล่อยวาง ก็คือไม่ยึดและเป็นความรู้ที่สงบไม่วุ่นวายอันความรู้ที่มีความปล่อยวางและเป็นความรู้ที่มีความสงบไม่วุ่นวายนี้คือลักษณะของอุเบกขาอันประกอบอยู่ในสมาธิและเมื่อได้สมาธิดังนี้จะเป็นอุปจารสมาธิก็ตามหรือที่ยิ่งไปกว่านั้นก็ตาม ก็เป็นสมาสม า, สมาธิสมาธิที่ถูกต้องเป็นบาทของปัญญาในอนิยศสัตว์ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้สืบต่อจากพุทชงฉะนั้นจึงสรุปในตอนนี้ว่าจะต้องมีปัญญาในการปฏิบัติปัญญาในกรรมก่อนซึ่งจะทำให้การปฏิบัตินั้น เป็นศีลจริงเป็นสมาธิอันถูกต้องขึ้นจริงคือสมาธิที่ประกอบด้วยอุเบกขาดังกล่าวนั้นเมื่อเป็นดังนี้เรียกว่าเป็นการปฏิบัติพร้อมที่จะได้ปัญญาในอริยสัจเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงอริยสัจทั้งสี่คือของจริง หรือความจริงที่ทำภูรู้ให้เป็นอริยะบุคคลและความจริงหรือของจริงอันทำภูรู้ให้เป็นอริยะบุคคลนี้ได้จัดแสดงไว้ก็ได้แก่